แต่ผมพฏิบัติอย่างนั้นจริงนะคู่คู่มาสรพจริงผมดูทีเองดีก็ก็เรียกว่าอินมากเเรื่องนีเรื่องหวังเรื่องชนภูมิศาสตร์สังคมชอบเป็นพิเศษจบดุทุหมดเลยลืมลืมไม่มาเลยลืมตัวลืมตัวเป็นไครกำลังทำอะไรรู้สึกอย่างเดียวมันหนักหนักทางอายุศาลความรับรู้นี่หนักนแต่ว่า โดยตัวมันเองนะผมก็ได้ปฏิบัติทำว่าอะไรมันขอน้าว่าแล้วความรู้ตัวนั้นรู้เองคนระัผมก็ได้ตั้งใจจะรู้ไม่ไม่ตั้งใ จ, จเจริญสติกนะท่นี้เห็นอาการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกไงแต่เคลื่อนเข้าเข้าหมดออกออกหมดถ้าบางส่วนนี่ติดคิดครับความคิดพลุงพลังเหมือนอนาะจารย์ชินชาวอธิบายนะี่ แต่ว่าอันนี้เป็นการมอบความไว้วางใจกับกลไกลของมันเองแน่นอนนะครับว่าก่อนจะมาถึงกลไกลนี้ความความเพียรเคยทํามาแล้วนะเคยตั้งสติเคยเดินโยงลมเคยทําทุกอย่างที่จะให้ให้ตื่นตัวแต่มันก็ไม่ตื่นแล้ท่านเราเห็นนี่กลไกลที่มันเป็นเอง เราจะเข้าใจความหมายของสโลดของเวลาแล้วก็คำสอนของพระเจ้าเองในหลายๆกรณีในหลายๆเหตุการณ์ เ, เพราะว่าคนกายนี้มันเหมือนเหมือนกับการเราก็ะิบตาซึ่งเราไม่ได้ใช้เจตนาเนี่ยทำกูมาเองเนะีเราไม่ได้ตั้งใจเราเราไม่เราไม่เกี่ยวเลย มีอีกวันครับการคล้ายๆใกล้ๆกันด้วยครับผ ม, ผมกำลัับรถอยู่ปล่อยจิตปล่อยจัเรอยคิดโน้นที่นี่ตามภาษนะาครับตาเห็นอะไรก็คิดเรื่องนะั้นแล้วก็ไม่รู้ตัวมาเลือ่อยครับพอมาถึงสี่แยกไปแดงถ้าตรงไปนี่มันจะไปกับลิ้วนะของเราเหยีบดินทุกวันยังหายได้ หายจริงเลนมันมนไม่มีเลยนะครับแต่ความคิดเรื่องไม่มีนี่อันนี้ผมแยกแยะเป็นแยกแยะได้งานที่จอดรอสัญญาณไฟ้ายหมดครับหายต่อหน้าตตาแต่ว่า ม, มันหายไปได้ยังไงนั้นผมผมไม่รู้ ทีนี้หลังจากวันนั้นผม <S <S ผมเริ่มเปลี่ยนทิศทาคือเริ่มกันงวลว่าโลกต้องมาหายได้แล้วผมเดินๆเดินเดียวหายไปหมดเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่พอ ม, มาอีกทักงสองที่ต้องไปเมกาเนะี่ยเจ้าว่าที่โน่นเขามอบกุญแจห้องแล้วเขากำกำชับผมว่าอย่าทำหายเมกามีลูกเดียวทุกครั้งที่งอออกจากห้องก็ ลูกกะจาดในกระเป๋าพอถอนมือเงนจากกระเป๋ายังอยู่หรือเปล่าก็ขนาดโลกทั้งใบ ย, ยังหายได้น้ำมันซาบลวงออม า, มาเอามาดูว่หไ้ถนัดหนลพอลห้อง ใ, ใส่กระเป๋าลังเลมันหายไปหรือเปล่าเป็นอยู่เป็นเป็นอาทิตย์เลยนะ นักพิธีเลยมันเป็นบ้าอย่างนี้ทำไมเราเพี้ยหรือเปล่ากลางวันผ <show> mhm. <coaches S 2> มค <to> hey, <laughs> <teor> ิดว่ามันเป็นไซเฟ็กของการที่อยู่ดีๆทั้งรถยนต์ทั้งถนนทั้งโลกหายไปต่อหน้าต่อตาหายไปอันตรธานจริงๆทั้งๆจริงมันยังอยู่นะมันกุญแจยังอยู่ทุกความรับรู้รู้สึกว่ามันเชื่อไม่ได้ ความคิดเรายังอยู่นี่เป็นเป็นความคิดอยู่ต้องจับขยำรีบดูตรงนี้ออกวิปลาดได้นะถ้าถ้าเป็นมากแล้วเป็นคนเพิอเพิอฝันห่อยอกวิปลาดแต่ประสบการณ์อันอันรุนแรงของการหายไม่ใช่หายบางสิ่งนนผมลืมกุแจลืมอะรอ่องเี้ไอ้นี่ไม่ใช่การหายครับมันลืมไอนี่มันมันอันตรธาน อธิบายว่าจิตไม่ทำงานหรือมิมิตไม่ปลากฏด้วยอะไรก็ไม่รู้เนืไม่ไไม่รู้จัดเข้าในประเภทไหนอ๋อที่เรื่กุญแจเป็นอาทิตย์แค่วางมือย่งย่งนะพอสอบกุญใจมพอทอนมือจะจะเดินไปงอนนทำอแลาวครับเอยยังอยู่ แต่ชคที่รู้สึกว่าหายแว้ไปน่มันมันไม่นานนช่ครับไม่นานครับถ้านา น, า ม, า น, นมันก็่ะหลวิบวิลอดนจิตไม่ทำงานนรับดูอธิบายยังไงก็เพราะว่าวเราให้คำนิยามว่าจิตโดยท้ายจริงมันมันไมไ่ใช่จิตเป็นโดยบางสิ่งที่งกาเรียกว่าจิตผมคิดว่า ส่วนที่น่าจะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนคณะมนงรีวิทยาย mm. ก็น่าจะเน้นตร ง, งภาษาเพราะ mm. โดยทั่วไปเราเราลองเรียกทุกสืออย่างด้วยภาษาถ้ามีประสบการณ์ที่นี้เราจะรู้ว่า จริงๆโลกมันจะมีภาษาหนึ่งชื่นดางมันไม่ไม่มีชื่อทั้งนั้นแต่ความรับรู้ของเราเป็นความรับรู้ซึ่งคลอดเคลื่อนจนเราสามารถนึกถึงชื่อแล้วก็สร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้แล้วกระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการภายในมากกว่ากระบวนการด้านนอกก้อนหินหร น้ำ ย, ยังคงสภาพบริสุทธิ์ดั้งเดิมอยู่นะแต่ก้อนหินนะน้ำที่ปรากฏกั บ, กบชีวิตเรานี่เป็นอนะีกอันหนึ่งเหมือนเรานั่งนึกถึงรสหวานเรานึกผ่านพอเระดีนคำาหวานเราเริ่มเริ่มก็เริ่มเข้ามาในเริ่ม พราสมมติว่าเราดูโลกโดยไม่ใช้ภาษาเลยไม่ร้องเรียกชื่อไม่ไม่ไม่แยกแยกมันออกมาจากกระบวนแถวของมนไม่มีภาษาที่จะบอกบอกเล่าเราถึงอิมมิติอื่นเป็นก้อนหินในเราเองคำก้อนหินไม่จสิ่งหนักคงเคยมีปรสบการณ์ทีเรื่อง เรื่นี้ราะนั้ น, ะ น, นยุดทุ่รแต่ไม่เกี่ยวกการเจริญสติครับความทึ่ผมอยู่คนเดียวนานานจนผมเห็นผนังถ้านี่เป็นนุ่นไรู้สึกมันไม่มีน้ำหนัก่ซ <c oughs> ึ่งเป็นอาการทางจิตใจเมื่อไม่เกี่ยวกรูปธรรมภายนอก ลูกทีแล้ ว, วที่แล้วก็เวนีก็ยแตนะอจะจ ง, งานแต่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าหมจะคิดอยู่ตด ว, ว่ามันดีอยู่ไม่ไมิ ไ, ไออกกคไม่ได้อติดมันแต่ก็ไม่ด้ไม่ต้องตุรม จัวคำถามแต่งงานเพื่ออะไรดูจะสวยนาอาอัประโยชน์กับการแต่งงานเกิดไปเราไม่ควรตั้งคำถามลูกหลานตัวเองด้วยหลัก <c oughs> รวมอาจจะรวมกว้างไปถึงความอยู่รอดปลอดภัยเช่นสตรีที่ต้องแต่งงานแต่าคราวนี้นามีมูหมบรับผู้หญิงม่ายว่าต้อง200คนตัวคุ้มครอง เพราะว่าทำเพื้นขานแบมนั้นเนี่ยสตรีที่ไม่มีสามีไม่มีพ่อม่คุ้มครองอันตรายนะเพราะนั้นขารีก็รับส0งร้อยคนเป็นชายาในนามการแต่งงานของสตรีก็เป็นการได้ที่พึ่งการแต่งงานของคนรุ่มสมยัยเพื่อสวงหาที่พึ้น สมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่แต่ก็เราคนเอ็นดูต่อผู้ที่พึ่งเพืองไม่ได้นะเห็นจะมีเหตุผลอื่นอยู่บ้างวายครับแต่ว่ามีมเีเหตุผลหนึ่งที่น่าจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ขอชาตินะคือบุย <laughs> ไม่ว่าหญิงหรือชายครับอันนี้จะสอดคล้องมากกับกับกระบวนการธรรมชาติทั้งหมดพร ผู้เท่าผู้แก่เมื่อแก่แล้วก็ได้มีลูกก็ดูเลียงดูคอยช่วยอหลต้องผมต้องสารภาพผิดบางเรื่องเมื่อยี่สิบสสิปีนึงก็าพูดพูดแรงว่ะเช่นพูดว่าพ่อแม่ที่มีลูกแล้วก็หลงจะ้เพิ่งลูกให้ลูกเจริงๆนั่นเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่ผม พูดาหังกาก ข, ข้าไม่อยากไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ไม่อยากถึงที่เขึ้นกับใครเลยนะจริงๆมนุษย์เราช่วยตัวองก็ได้หลายเรื่องครับพออายุมากขึ้นจะรู้ตัวการช่วยเตัวองก็ได้นี่ถ้าไม่มีลูกที่พักดีหรือกระตันอยู่แล้วอยู่ยากดังนั้นปณบีเองชี้ว่าคนญหาที่ดีสุดก็คือปัญญาที่เชื่อฟังมีศรัทธาในพระเจ้า พุทธเจ้าพุทธเจ้าเองกล่าวว่าลูกที่ดีสุดคือลูกกตันอย mm hmm. คุณทำวันนี้เป็นจริยธรรมนะไม่ใช่โล ก, กุตสาธรรมแต่ว่ามันมีบทบาทสําคัญมาก <c oughs> <c oughs> โดยผลง่ายๆว่าคนเรามาถึงอายุขัยหนึ่งอนะาการสังขารที่ร่วงโรยมนะันต้องการที่พึ่ง mm hmm. แต่คนที่พึ่งได้ดีสุดคือคนที่พักดีที่สุด mm hmm. ก็คือลูกนั่นเอง ก็ยนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีความหมายทางเป็นเพื่อนความหมายสำคัญกันเนื้อเพื่อนเพื่อนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่วัตถุติ่ต้องการแก้เหงาแต่ตรงข้ามเลยครับเป็นความงอกงามขึ้นในมโนธรรมซึ่งมันแสดงออกกับ เพื่อนอะไรเขจะเป็นแสดงออกกับคนมันจะเพื่อนกันแน่น อ, อนหมอคำถามว่าอาจารย์คิดจะแต่งงานหรือเปล่าใช่ไหมรู้ <laughs> สึกถามล่อยมากคำถามนถามเพื่อเพราะว่ามเชื่ว่าจะตอบเหมือนเดิมเราะ <laughs> <laughs> ว่าจริงๆอาจารย์เลือกได้ที่จะมีชีวิตค <laughs> ู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ ก็อยู่ที่เราใช่ไหมครับที่จะเลี้กงแล้วพูดอย่า <c oughs> นี้กําวกครับกากงกเข้าเผื่อเรือเผื่อขาดผมไม่ไม่เลยผมรู้สึกว่าไม่ไม่มีความจาเป็นต้องแงานนี่โดยฟังเมื่อกี้พูดใน่ของใจธรรมโดยส่วนตัวจริงจริว่ามันเหมือน ทหารออกสึกและแขนขาดแขนขาดไปใหม่ๆก็รู้สึกลำคาญมากว่าต้องการแขนคืนแต่นานเข้าโดยกระบวนการรับรู้ตำธรรมชาตนะิมันเขาก็ยอมรับความจริงเจนะน้อยจะน้ทุกๆขณะทุกๆเวาที่มัคือขณะนาทีการรับความจริง น, นานเข้าหลายสิบปีเข้ามารู้สึกคําว่าแขนขาดกับ แ, แขนแขนไม่ขาดนี่เหมือนกัน คือไม่ได้ไม่ได้หวั่นวกับมันทุกสิ่งนะครับจะแต่งงานจะไม่แต่งงานเหมือนเดิมมันรวมกว้างไปถึงการคิดถึงฐานะด้วยนะครับต่างว่าผมดูโทรทัศน์เขาโฆษณาบ้านหลังใหญ่น่าอยู่ก็ความคิดหนึ่งจะแทรกเข้นมาว่าอยู่อยู่ได้สกิวัน ม, มันมันมีความคิดที่เป็นของสมองสองสิ่ตอบโต้กันนะไอ้กรีอื่นก็จัดลงในล็อเดียวกันเช่นว่าเห็นรถยนต์ทำหลวเขา้าโอ๊ถ้าสมมติเป็นเจ้าของจะชื่นใจได้อีกสักกี่วันมันมันเป็นการประทะกันระหว่างระหว่าง มองที่ที่มองอย่างเงี้ยจะได้สวยงามอะไรเงี้ยจะมีจะเป็นอีกที่หนึ่งบอเป็นงันเป็นจริงไม่ได้หรอกแล้วก็ทั้งหมดประมวลลงมาตรงตรงเวลานี้ตรงเวลาเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดไม่ใช่เวลาที่หลังแต่งงานแลยแต่เราเราต้องไม่ลืมนะครับว่าการแต่งงาน เป็นประเด็นทางของคมเป็นเป็นเรื่องทางของคมเพราะว่าเพออยู่กินกันมันไม่ใช่แต่งงานรู้ๆแล้วมันจะอยู่กินนะมันมันเป็นโปรเซสทั้งหมดคนระับแต่งงานกันแล้วก็ต้องจับมือกันที่จะเผชิญกับ เการที่คาดไม่ถึงด้วยเนะ้ที่คาถึงต้องมีที่้าไปถึงต้งมือกันนายหกันนท้ายเรือต้องประสานใจต้องรู้ใจว่าไม่ใช่น้ำจะขัดแย้งกนะันในขหัจะไปทางั้นท้ายจะไปที่โดยตัวลราผมคิดว่าผมไม่เหมอะที่เป็นสาวีคนหน่หรือสิไม่ไม่ไม่เหมาะาา ส, มมมมสมนะเพราะ จจกแจงแว่าเราเพราะหนึ่งผมตามใจตัวเองนึกจะไปไหก็ไปอย่างนี้ไม่มีใครทนได้พอแจกแจงนี้แล้วมันมันมันมันจะเข้าถึงความความเป็นธรรมความยุติธรรมโดยทั่วไปคู่บ่าวสาวจะไม่ไม ค, คล้ยครัวเรื่องความยุติธรรมซึ่งครั้นอยู่นอนนอนามันปลากดออกจริง เป็นการทอดทิ้งกันอยู่ตัวเดียวนานเกินไปคิดว่าแต่งงานแล้วคิดหลว่าเขาเป็นของเราของการละกันแล้วไม่ต้องเอาโอโอกมาตายแล้วสินค้ามจะถึงนึงมาเป็นกระดีเลยและที่ล้ายสุดก็คือการไม่ให้เกียรติไม่ไม่นับถือว่าเขาเป็นผู้ชีวิตอีกแล้วคว่ามนี้น่ากัว ก็กประหยัดปาด้วยนะคะอยา่างเช่นเอาใจตัวเอง อ, อะไรองนี้มันเป็นงานทีนยากมากนะสําหรับคนเอาใจตัวเองแล้วมาปรับเอาใจคนอื่บ้าง <c oughs> เป็นงานที่ง <c oughs> ยี่งก่อเป็นทา้าวงานอะไร <c oughs> <c oughs> เป็นงานที่ยากมากครับ <c oughs> มีสามีพันยาคู่หนึ่งที่เจมเป็น <c oughs> เจมชื่อน้าที่เจม เขาชอบพ่อผมมากเขาเข้าร่วมรายการลนะครแล้วเาก็ขณะที่เดินจงกลงก็ เ, เกิดความสิทตัวสบายขึ้นมาเนี่ยคลี่คลายมาก็คิดถึงมีคิดมันยาซึ่งไม่ได้เข้าร่วมรายกา ร, รเสร็จรายการแล้วก็พาปัญญามาแนะนำให้รู้จักจะพาไปเที่ยวคำถามของปันยาของคุณเชิเนยเขาบอกว่า เขาไม่เข้าใจสิงผมพูดเรื่องปล่อยวางเพราเขากับเตมยยึดติดกันเหนีวนน้นเ <c> ล <oughs> <c oughs> ยครับว่า attachment เลยนะาการติดกันอย่างเหนียวน่นซึ่งก็เห็นได้นะว่าในแง่หนึ่งทั้งคู่ต่างมีความสุขที่ได้ ย, ดยึดยึดติดกันยึดถือเลยนะไม่ได้ปล่อยวางไมได้มันนแสดงว่าคำยอมของ ั้งคู่ในเรื่องความรักคือวามยึดติดคือไปไหนไปด้วยกันแล้วก็ดูจะภาคภูมิด้วยนะที่ได้ยึดติดซึ่งข้อนี้มันขัดแย้งกัหลักทํำในผู้ชายมาอย่างอย่างเขาหน้าือหลังมือซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่ให้ปล่อยแต่ยังยังอยู่ปล่อยวังของเขามาไม่แยกกันเลยเราพยายามที่จะทำความเข้าใจ แล้วแล้วเราเล่าที่เราล้มเหลวในทางที่เข้าใจผู้อื่นได้ได้ตรงแล้วทำ้วยีหลังจากที่เราจะทาย่อมดีทํากไรคนอื่นลองของง่ายแล้วเรามันนึกเสียใจนึกเสียใจเรากระบวนการนี้มันมันมั น, ม น, มนยืดเยือมากครับมันยืดเือหมายคว่ามาเรารุกแรมหน้าโทรษาจะริบจะดีด พอใจเองดีแล้วก็ว่าจะรู้ว่าเราเราได้รุ่งเกินดังนั้นนานนานนึงทั้งว่าคู่คู่ชีวิตแบบความรู้สึกนั้นไม่ไหวเหมือนฟ้าแลงบ่าทนฟ้าแรงดับไม่ไหวตอนนั้นมันเริ่มกัดกร่อนเป็นแผลที่บ่าเรารุ่งเกิน ตอการกันเพรว่าสามีร่วงเกิมันยาวเวลาล่วงเกิสักทีนี้ทีนี้มันการหมินน้ำใจอันนี้นสินอนเข่าเพราะว่ากัดกร่อนซึมลึกก็จนจ น, จนรู้สึกว่าผิดพลาดแล้วดังนั้นถ้าเราจับประเด็นนี้ได้เนีครับค ว, ความรู้สึกที่เคารกต่อ การกันอยเพาะว่าเปเรื่องใหญ่เยอันะยั ง, งๆๆไม่ได้อิสระเแล้วพี่ทำงานแต่งงานดีไนหะมแขกดีหรือไม่ดีก็ก็ดีดนะคะก็มีเพื่อนเขาดี <ๆ S 2> ลูกเกดเขาแฟนเขาขอิสระเก็ดก <ๆ S 1> ็อิสร ะ, ะต้องมีเพื่อนแต่ว่าเก็บเก็บคิดว่าระดับพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยระดับที่อายุมากขึ้นมั น, มนจะหมดยาที่อาจารย์พูดบานที่เราก็จะเปลี่ยนตอนที่เราก็จะเปลี่ยน อันอ น, นี้การ อ, อยู่คนเดียวมันก็ขัดแย้งกับธรรมชาติได้เพราะแ จ, จริงๆมันลดคนจะแต่งงานมันจะมีเพื่อนอืมมันไม่ลดแต่งงานใช่เพราคนจะมีอย่า ง, า ง, างจะได้พึ่งพาลูกหลา น, นเรื่อลูกก็เห็นด้วยนะอ๊ะมันสุกมันทุ้มมันมาด้วยกันตลอดมันต้องเที่ยมเลนก็บอกทุกที่เกิดจากการอยู่เดียว มันกะทุกงกันกันไม่ใช่เปนโชคทุ่เพืองึงไม่ได้ต้องไปตลาดต้องทำอะไรสารับกับทุกที่เกิดจากการมีมีคู่แล้วก็ต้องจูนกันเป็นแรมต้องต้องผ่านประสบการณ์กันทะเลาะเบาแวง้งเพิ่มแรงกังวลต่อ ก, กันลวกัน ครูมานีดยังไม่มีคู่ครูมานิดก็เคยยังไม่มีความกังวลเรื่งคู่ในเนียงอันเนื่องกับคู่ในเนียนะครแต่ผข ม, มีคู่ความวุ่นตามมาที่จริงผมผมไม่มีผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแต่แต่เกนได้คิดก็ได้ <laughs> เกนคิดหมายความว่าช่วยกันคิดดูจากประสบการณ์ที่ไม่ไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงเพราะผมยังไม่ไม่มีคู่ยังไม่แต่งงาน ไม่มีคู่ไม่แต่งานบางงยังไม่มึงไม่ผจญความทุกข์สาหาัสเรื่องจากทุกครองหรือบุตรเช่่านมค่าโรงเรียนค่าไปโรงเรียนค่าไปสาบันผมก็มีสบการ์เลยงั้นผมไม่ได้ทุกข์เรื่องนั้นเมื่อไม่มีก็มไม่ทุกข์ในสิ่งที่ไม่มีนะถ้ามีขึ้นมาเพราะพอรับรู้มีอะไรบางสิ่งมันมันโหลดเทียบได้จ้ะ การที่ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยมันมันเบาการทีมีคู่คนไม่มีคู่ก็คือความความรู้สึกทางทจิตใจก็เบาบางแต่เขาอาจจะถูกกําหนดจากสิ่งอื่นซึ่งอาจจะร้ายแรงกว่าคู่คือ <c oughs> จําเป็นไหมครับที่ต้องมีคู่จําเป็นไหมต้องถามเฉพาะรายผมเคยรู้จักกับสิลป์สูงวัยบางคนนะผมก็เรียบเพียงถามเขาบอกว่าจาเป็น ผมก็ถามว่าแล้วอยู่ได้ยังไงเ่อชีวิตต้องเกี่ยวพันกับกรามารมณ์ผู้มมุ่งเนีบอกไม่คิดไม่คิดถึงมั น, นเออเทาก็คขมข่ายดยีผมไม่คิดเ่าคาตอบของนักปรัชนาหรือผู้ที่เรียกเป็นนายโยคีหรือสมณะอะไรแต่ป็นตอบที่ตรงนะครส่วนใหญ่ถ้าเราไปถามเพราะอะไรก็บอกโอ้เรื่องจเจริญสตเียเราไ่น ก็อ น, นั้นไม่ไม่ไม่ใช่คำตอบที่ดีนับตลอดเวทีโลกราะคำว่าโลกหมายถงสังคมมนุษย์เลยผมดูจากมุมมองของตัวเองนะและ้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นในเรียนรุ่นรุ่นเนี่ยผมเถาทำไมไม่มองเทิดบ้างเขงาว่ราะอย่เข า, าอกว่าเดินในตลาดยังหลงกำลังใจเลยแล้วก็ไปไหนได้ด้วยปัญญาครับคน ญ, ญาวเป็นคนจูม ถึงจุดหนึ่งในสมองมันจะเริ่มลดละความจำความใส่ใจอี่ีบ่อยครั้งที่ตำรวจต้องแจ้งให้ลูกสาวหรือลูกชายของคนแก่ที่เดินหลงทางคือกำหนดไม่ได้ผมเคยหลงเรียนใหเดินคิดตัวหนอกอยู่ตรงไห น, น <c oughs> แ, แสดงว่าถึงดับหนึ่งเนี่ยราต้องการผู้ช่วยคือความสามารถของอินทรีย์ษาษาในการกาหนด ในการคิดในการมันด้อยลงเนะี่ยไม่ไมันจะเป็นต้อเป็นโรคสมองฝ่อหรืออะครับโดยธรรมดามันจะด้อยลงด้วยลงพระอาจารย์สมโภคเคบอกผว่าคือผมกังวลใจเรื่องท่องปาติโมกขนะ์นี่ยมนต้องสองร้อยขอแล้วก็ผมแต่ใ น, นสิ่ผมท่องได้นะแต่ท่านให้กําลังใจบอกว่าอย่า ต, ตัวเลยถึงเวลามันหาย ห, หมดมันบอกว่า ป็นยบกล่งาฉีมามาพิจารณานเรียกว่าอะไรมันบอกหลายนาทีนึกไม่ออกจำเป็นหรือเปล่าครับาแต่งานต้องต้องถามเป็นลายหัวเป็นคนไ็หัวแล้วก็คุยกันเองอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเองกับคู่สึงว่าคู่ที่จะแบ่งอะไรยเงี้ยถึงว่าจำเป็นเรื่องความรัก ่ความลักกับการแต่งงานอาจจะไม่เหมือนกันแ่เราเราเป็นต้องมีความแต่อาจารยคงมีความลับพี่จ้ะผมเล่นหลายคู่นะครับผู้เป็นวัฒนธรรมบงคลคู่เปล่าที่ถลอกตลอดเวลาเรื่อดีกันลอกเลยปลกเฮมักกันยังไงอะไรอย่างี้นันคุณเคยก็อากแจ้ว่าการให้เกียรติเนี่ยจะน้อยลงตางคุณเคย อยู่คนเดียวก็ทะเลาะตัวเองผ <c> ม <oughs> ว่าคนโบราณเขาก็คงสังเกตออกที่พูดว่า อ, อยู่คนเดียวเปลี่ยนใจโบราณว่าไว้แสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่คนเดียวสบายสบายแต่มไม่มนสนุกอยู่สองคนมีแต่ความทุกข์แสนสนุกแต่ไม่สบายว่า <c oughs> จะเลือกอะไร มันเป็นความต้องการในช่วงระยะหนึ่งแต่เรามักจะคํานึงหนก่รอบครวัวในความหมายความยั่งยืนเพื่อแต่งงานาเราแต่ง ว, วันต้งวันนะแต่เดวนี้ดูเหมือนไอ้วัฒนธรรมนี้มันเหมือนกล่าวว่าทดลองแต่งงานเพราะดันั้นหลักฐานของว่าทำในความยั่งยืนในชีวิตคู่คือสะท้นออกในในพิธีพิธีการนะเพื่อ ให้ทั้งคู่ได้เห็นความสลักสำคัญของชีวคู่พี่ชายลูกของป้างผมณแต่งแบบโบรารนผมท่านห น, นึ่งนุ่งจงเบรและเนบ ก, กลิ่นวัดชวางจะมีพิธีอะไรกว่าจว่าจะบาะวเจ้าสาวจะได้อยู่กินกันเป็นเดือนกว่าแล้วต้องมีเด็กอยู่ข้างตอว ไ, ไปผมคือเด็กคนนั้น คอยเป็นตะกีพยานเวนอนในห้องผมนอนด้วยนจนถึงเวลาประมาณเดือนนึ่งแล้วเปนการแต่งงานของชุมชนลากฐานชุมช น, นมันคารผูกมัด